ตอนที่สิบสี่เดินทางปัญญากว่าจะรู้ สอนจนถึงแก่ใ น, นเหตุผลต้นปลายท่านอธิบายได้แยบยลอย่างดีด้วยมีเหตุผลท่านเคยผ่านพ้นมาก่อนโกกราบลงเพราะลงผิดไปใจกร่นโอ้พลังไปหัวใจร่อนรอนรู้ตัวแน่นอนกราบ่อนอภัย ที่ดีใช้มาหนุนหลังพลังปัญญาออกทิจารณาศรัทธาความเพียรอย่าเวียนหทหายธาตุสี่ขันธ์ห้าชะนัยกระจายรู้ให้กระจ่างดินน้ำลมไฟแยกแยะออกไปให้กว้างอาสุภันอาสุพังทั่วในเรือนร่างไม่มียั่งยืน จะผ่านคิดไปทางอื่นจงใช้ปัญญาพิจารณารู้ตื้นไปทีละขั้นวันคืนสมาทานเคียงยืนวิปัสสนาสมาธิหนุนข้างทางปัญญากรรมฐานจะพาลมเย็นจากนั้น เมื่อใช้สมาธินำปัญญาความเจริญในธรรมก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกตามลำดับแล้ววันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ได้พูดให้พ่อคิดอีกว่าการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทมเท่านั้นที่ควรยึดไว้ได้อย่างมั่นใจตายใจตลอดไป ครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามัวนิ่งนอนใจว่าได้มาอยู่กับท่านแล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเร่งความเข้มแข็งความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งและภาคเพียรเข้าไว้มีความรู้ความเห็นสงสัยอะไรตรงไหนก็จงมาบอกมาเล่าภิกษุเท่าผู้นี้จะแก้ให้ถ้าภิกษุเท่าผู้นี้ตายไปก็ยากนะที่ใครจะแก้เรื่องจิดใจด้านภาวนา ภิษุเท่าคู่นี้จะอยู่ไม่นานเกิน80ิบนะแล้วท่านก็นับข้อมือให้ดูนี่เวลานี้อายุก็เท่านี้แล้วและนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุดแปสิบท่านก็พูดว่านี่มันจะนานอะไรพากันมานอนใจได้เหรอจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่งเข้าเมื่อได้ยินดังนั้นใจของท่านก็สั่นริกๆและเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติธรรม